Book 2สันนสันานอนสันธานลดซะบรนดิะลดซะบรนดิะการเดินทางสนุกก็จริง แต่เหนื่อยเกินไปอุตติม i อิสต์อิปุ u อร์พ i ิลออสชัมอุตติมิอ i สต t อิปุกอร์พร i ิลออสชัมรถไฟมาตรงเวลาก็จริงแต่คนนั่นเกินไปอิสตปตป โรงแรมอยู่สบายก็จริงแต่แพงเกินไปเ เ, เ, เขานั่งรถเมล์หรือไม่ก็นั่งรถไฟไอเมอร์ออสซาตูบูซินออสเตเนร์ิน เขามาวันนี้ตอนค่ำหรือไม่ก็พรุ่งนี้แต่เช้าอเขาพักอยู่กับเราหรือไม่ก็พักที่โรงแรม เธอพูดทั้งภาษาสเปนและภาษาอังกฤษเธอเคยอยู่ทั้งในมดริดและในลอนดอน Ajo ka jetuar aj si në Madrid, ashtu e d h เ në Londër. Ajo ka ธอรู้จักทั้งประเทศสเปนและประเทศอังกฤษอา j, si j n, a k t h ย n g ปญย์อ e ชตู p อเดอแ e p r ล t นเธอรู้จักทั้งประเทศสเปนและประเทศอังกฤษอ j ยุเนียสเปญย์อาชตูเ e เดอแอง เขาไม่ได้โง่เท่านั้นแต่ยังขี้เกียจอีกด้วยเธอไม่ได้สวยเพียงอย่างเดียวแต่ยังฉลาดอีกด้วย เธอไมบบ่ได้พูดแค่ภาษาเยอรมันเ ท, เ, ทเท่านั้ น, น, นแต่ยังพูดภาษาฝรั่งเศสอีกด้วยไอโยน n ผมเล่นไม่ได้ทั้งเปียโนและกีตาร์ as piano as u i t a r วย as piano as g i t a r ผมเต้นไม่ได้ทั้งวอลช์และแซมบ้าอนุมุตด้ as w a l z as samba อนะละเกิด as v a l z as samba ผมไม่ชอบทั้งโอเปร่าและ บ, บัลเล่ยยิ่งคุณทำงานเร็วเท่าไหร่ก็จะยิ่งเสร็จเร็วเท่านั้น ยิ стати, people, ่งคุณมาเร็วเท่าไหร่คุณก็จะไปได้เร็วเท่านั้นสมชเปวิชอมชเปมุนตมชเปวิชอมชเปมุนตคนเรายิ่งแก่ขึ้นเท่าไหร่ก็ยิ่งเกลียดคานขึ้นเท่านั้นสมัปตลกอมักเอเวทมนเดียมปตลก Ashmopak เอฟเรตเมนเดี